เมื่อพระชิตะถามอย่างนี้แล้วเนี่ ย, ยก็อธิบายเพิ่มเติมอีกที่บอกว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทางปวงเนี่ยนะอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายอันนี้ก็คือถามตัวอีครั้งหนึ่งถามวิธีละปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยนะส่วนการสังวรและก็การปิดกั้นข้างล่างเนี่ยนะอันนี้หมายถึงการละ อนุใสกิเลสแต่ว่าคำถามอันนี้เชื่อมมาจากคำถามอันก่อนเนี่ยนะเป็นการเชื่อมจากประโยคคำถามครั้งก่อนก่อนน่น่ะถ้าจะกล่าวไปแล้วคาถาที่กำลังพูดถึงอยู่เนมมี่ยเป็นการถามมัคคสัตเป็นการถามมัคคสัตคำถามก่อนคาถาก่อนที่ตอบครั้งก่อนเนี่ยเน้นถามทุกขสัตกับสมุทัยสัต คำว่าสวัตติสัพติโสตาเนี่ยนะกระแสะคือกระแสะทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะคำว่ากระแสะตัวนั้นเนี่ยในจุลนิเทศท่านอธิบายไว้หอย่างด้วยกันกระแสะของตัณหากระแสะทิฏฐิกระแสะกิเลสกระแสะทุจริตกระแสะอวิชชากระแสะมีห้าอย่างนะอวิชชาตัณหาทิฏฐิกิเลสทุจริตอวิชชา ของผู้มีจิต ARS ไม่ตั้งมัน่นเห็นไหมเรียกว่ากระแสของผู้มีจิต ARS ไม่ตั้งมัน่นมีอภิชาพยาบาทและความประมาทย่อมไหลไปตรงนี้ยกกระแสมาให้ดูสามกระแสเนี่ยนะกระแสาสามอย่างคืออะไรอภิชากระแสคือพยาบาทกระแสคือความประมาทคือสัตว์ทั้งหลายนี่ตกอยู่ในกระแสาสามตัวนี้จริงๆอนคือกระแสคืออภิชาพยาบาทและประมาท อธิบายว่าธรรมชาติที่กล่าวว่าตัณหาเนี่ยหรืออภิชาเนี่ยถูกกล่าวด้วยโลภะเป็นอากุศลมูลธรรมชาติใดชื่อว่าพยาบาทธรรมชาตินั้นถูกกล่าวว่าเป็นโทสะเป็นอกุศลมูลธรรมชาติใดชื่อว่าประมาทธรรมชาตินี้ถูกกล่าวว่าเป็นโมหะเป็นอากุศลมูลอันอภิชาก็คือโลภะพยาบาทก็คือโทสะความประมาทก็คือโมหะ ที่ใดกล่าวว่าโลภะเป็นมูลเนี่ยนะจิตกี่ดวงอากุศลจิตแปดที่ใดบอกว่าโทสะเป็นมูลโทสะมู ล, ลจิตสองดวงถ้าโมหะเป็นมูลสองเหรอโมหะเป็นมูลมีกี่ดวงสิบสองดวงตันหาทั้งหลายคือรูปปัตนหาสัทธตันห า, ธธ า, นหาคันธตันหารสธธาสตันหาโพธภาตันหาธรรมะตันหา ของผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไหลไปในอายตนะภายนอกหด้วยธรรมะสามประการดังกล่าวมานี้ธรรมะสาประการก็คือราคาโทสามโมหะนั่นเองตันหา6กเนี่ยนะรูปตันหาสัตธาตันหาคันธะตันหาราสตตันหาโพธภาษตันหาธรรมะตันหาจริงๆตันหาเรียกหนึ่งก็ได้นะแต่แบ่งเป็นหตามอารมณ์เขามีการเรียกชื่อแบบนี้นะี่บบก ย, กมมยก็เรียกชื่อตามถ้าพูดแบบชาวโลกเรียกชื่อตามแม่ก็เรียกชื่อตามพ่อ ชื่อตามแนวของแม่อย่างพระสารีบุตรเนี่ยลูกของนางสารีชื่อว่าสารีบุตรส่วนน้องชายของท่านชื่อว่าอุปเสนพระอุปเสนวังคันตบุตรอันนี้ชื่อตามพ่อเพราะพระสารีบุตรมีพ่อชื่อว่าวังคันตะเนี่ยนะพระอุปเสนก็เลยชื่อว่าอุปเสนวังคันตบุตรพระสารีบุตรลูกนางสารีมีลูกสองคนนะเรียกคนหนึ่งเรียกลูกลูกพ่อไอคนนี้เรียกลูกแม่นะ วิญญาณนี้เรียกตามแม่แม่คืออะไรจกักขูวิญญาณโสตวิญญาณคานาะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกตามแม่เ น, นี่ยนะภาษาก็เรียกตามแม่เรียกตามทวารจากักขูสัมผัสโสตสัมผัสคานาะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสเวทานาก็เรียกตามทวารอีกเ น, นี่ยนะเช่นอะไรจักขูทวารจักขูสัมผัสชาเวทนาโสตคานาชิวหากาย สัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเพราะฉะนั้นวิญญาณผัสสะเวทนาเรียกตามทวารส่วนที่เหลือนะสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์เรียกตามอารมณ์เรียกตามอารมณ์สัญญานะเช่นรูปสัญญาสัตธัสัตถ์ท่สัญญาคันท่สัญญาราสสัญญาโพธภสัญญาธรรมะสัญญาก็รับเรียกชื่อตามอารมณ์นะจริงๆก็มีอันเดียวใช่ไหมแต่แบ่งตามอารมณ์เลยได้ห สัญญาก็ตาม6เจตนาก็แบ่งเป็น6เช่นรูปสันเจตนาสัท ธ, ธาคันธาราสะโพทะภาธรรมะสันเจตนาอย่างนี้นตัณหาก็เรียกตามตามอารมิกรูปประตันหาสัท ธ, ธาตันหาคันธาตันหาราสะตันหาโพธะภาตันหาและธรรมะตันหาวิตกวิจารณ์ก็ยังเรียกตามอารมิกเนี่ยนะก็จะอยากกล่าวไปนะว่ญญ า, าเรียกตามแม่ก็เรียกตามพ่ออจําง่ายๆดีนะวิญญาณภาษาเวทนาเรียกตามอายตนะภายใน สัญญาเจตนาตันหาวิตกวิจาร์เรียกตามอายตนะภายนอกอันไอกระแสกิเลสเนี่ยมันก็ไหลไปตาม อ, อาคอะไรนะอายตนะภายในอะ่ะมีก็เพื่อที่จะบริโภคให้กิเลสเกิดรับอารมณ์ภายนอกใช่ไหว่าโดยสรุปมันนะราคะโทสะโมหะเกิดในโดยทวานนี่เกิดทวานไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจยเป็นต้น โดยอารมณ์รับอะไรเป็นอารมณ์ก็รับรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมอารมณ์เป็นต้นก็ถ้าจะแบ่งเป็นตัวอายตนะภายในเนี่ยเหมือนโคดำอายตนะภายนอกเหมือนโค ข, ขาวกิเลสสามตัวเหมือนกับเชือกที่มันผูกโคดำกับโค ข, ขาวให้มันติดกันเนี่ยนะเหมือนเชือกสามเส้นอ่ะนะมันผูกภายในกับผูกภายนอกอ่ะทีนี้มาดูอนุขีติวิจัยดูะนะคือเมื่อเมื่อพิจารณาโดยปุจฉา วิสัชนาแล้วนะก็ลบอนุคีติวิจัยหาระขึ้นมาอนุคีติในในวิจยะหาระนะอนุคีติคืออะไรก็ก็วิจัยคําสุดท้ายใช่ไหมข้อสุดท้ายคืออนุคีติก็อนุคีตินะถ้าใครเรียนกระทู้ทำมาแล้วก็จะบอกว่าถ้าเป็นทั่วไปก็โอุตรตังเหตังสมจริงดังพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพุทธพที่อื่นมาให้ดูด้วย ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีที่เดียวนะธรรมะอย่างเนี้ยพระองค์ตรัสไว้ในที่อื่นออีกเยอะเนี่ยนะก็เอาพุทธพจน์อื่นๆมารับสมอ้างตรงนี้เขาเรียกว่าอนุคีติวิจัยโดยยกพร ะ, ะพุทธพจน์เนี้ยที่อื่นๆเอามาอ้างเอามาตั้งนั่นเองมันคําว่าสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เนี้ยอันนี้ตรงนี้หมายถึงอนุคีติวิจัยเนี่ยนะวิจัยอนุคีติคล้ายๆกันเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าเอา่อ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าถในในวุตังเหตังพักวตานะในในอิติวุตกะนี่นะจริงอยู่สูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าแต่นี่ก็คือบอกว่ายกขึ้นมาว่าจริงอยู่สูตรนี้พระผู้เจ้าตรัสแต่นี่หมายถึงเราพูดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็เอาพุทธพจน์มาอ้างะนะอย่างอย่างการอธิบายว่ากระแสไหลไปในทวารหเนี่ยกระแสตันหาไหลไปในทวารหไม่ใช่มีตรงนี้ที่เดียวนะ ที่อื่นก็มีกระแสอวิชาเป็นต้นเกิดในทวารหไม่ใช่มีในสูตรนี้ที่เดียวที่อื่นก็มีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเอามาดูนะว่ามีสูตรอื่นว่าไงบอกว่าภิกษุทั้งหลายคําว่าสวตินี้เป็นนี่แลเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ไอตัวไหลเนี่ยนะไหลตัวนี้เป็นชื่ออายตนะภายในหกนะที่มันไหลมันไหล ย, ยังไงอ่ะบอกว่าจากสุ ย่อมไหลไปในรูปารมณ์ที่น่าพอใจคาว่าไหลตัวนั้นเป็นชื่อของตัณหาแล้วก็ขัดเคืองในรูปารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจพูดถึงจักสูนะแต่หมายถึงอะไรตาเนี่ยมันชอบสีที่น่าพอใจขัดเคืองในสีที่ไม่น่าพอใจอ่ะพูดตาแต่หมายถึงหมายถึงโลภโทสะที่มันเกิดจากทวารตา ไม่ใช่ว่าตาเนี่ยมันรู้จักดีใจเสียใจไม่ตาไม่เนี่ยนะแต่ว่าจักสุย่อมไหลไปในรูปารมณ์ที่น่าพอใจเนี่ก็คือตาเนี่ยตัณหาก็ชอบที่จะดูสีสวยๆนะอ่ะคือโลภะโทสะเนี่ยมันอาศัยตาเนี่ยเป็นทวารเพื่อที่จะรับรู้สีทั้งหลายเนี่ยนะ โ, โลภะก็รับอารมณ์ที่น่าพอใจโทสะก็รับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ โสตะย่อมไหลไปในสัทธารณมที่น่าพอใจย่อมขัดเคืองในสัทธารณมที่ตนไม่ชอบใจคานะย่อมไหลไปในคันธารณมที่น่าพอใจย่อมขัดเคืองในคันธารมที่ไม่ที่ตนไม่ชอบใจชิวหาย่อมไหลไปในระสารมที่น่าพอใจย่อมขัดเคืองในระสารมที่ตนไม่ชอบใจกายย่อมไหลไปในโพธพารล์ที่น่าพอใจย่อมขัดเคืองในโพธพารลมที่ตนไม่ชอบใจ ใจเนี่ยย่อมไหลไปในธรมรมารมณ์ที่ตนที่น่าพอใจย่อมขัดเคืองในธรมรมารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจย่อมไหลไปโดยอาการทั้งปวงอย่างนี้ว่าย่อๆนะอายตนะภายใน6กับอายตนะภายนอก6กิเลสถ้ามันไหลมันก็ไหลตามทวารหเพื่อรับรู้อารมณ์6กระแสในที่นี้เน้นกระแสกิเลสนะกระแสเนี่ ย, ยอั อ, อตันหาอวิชชาโลภะเนี่ยกระแส ตัณหามาณที่ทหรือกระแสอวิชชาตัณหาทุจริตกิเลสเนี่ยมันไหลในทวารหกเพื่อรับรู้อารมณหกเท่านั้นเองเนไหมเรกระแสมันไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงทีนี้อันนี้พูดถึงปัญหาก่อนใช่ไหมว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดอย่างนี้นะพระชิตะท่านเก่งนะท่านบอกว่ากระแสกิเลสเนี่ยมันไหลไปในอายตนะอย่างเนี้จะละมันได้ยังไงเห็นไหม สรวัตาก็เดี๋ยวก็ดูสีที่ชอบบังไม่ชอบบังหูก็ฟังเสียงที่ตนชอบไม่ชอบบังกิเลศกระแสทั้งหลายมันก็ไหลไปอย่างนี้นะพระชีตาก็ถามถึงวิธีละปริยุทธานกิเลสด้วยคําว่าโสตานังกิงนิวารนังบอกอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายการละปริยุทธานกิเลสนี้เป็นความหมดจดหมดจดตัวนั้นมาจากวูทานหมดจดนะละปริยุทธานต้องอาศัยวูทานวูทานเป็นชื่อของอะไร สมถวิปัสนานะววทานเป็นชื่อของสมถาวิปัสนาเพราะจาละปริยุทธฐานกิเลสด้วยสมถวิปัสนานี่ก็ถามถึงวิธีตัดอนุสัยกิเลสอย่างเด็ดขาดนะนะโยคําว่าโสตานังสังวรังภูมิกับเกนะโสตาปิติเยเรเนี่ยนะสังวรังกับปิติเยเรเนี่ยสามคเออสองคำเนี่ยขอพระองค์จงทรงตรัด บอกการสังวรกล่าวคือการป้องกันกระแสทั้งหลายบุคคลย่อมปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้ด้วยทำอะไรก็คือสองคำ น, นะสังวรกับปิดกัน้นการตัดอนุสัยกิเลสอย่างเด็ดขาดนี้เป็นวุฒฐานคือเหตุออกจากสังสารวัฏข้อก่อนนะในหน้า19บรรทัดล่างสุดอะที่กล่าวว่าปัญหามีอยู่สองข้อคือเขาถามอะไร ถามวิธีละปริยุทธ์ฐานกิเลสกับถามวิธีละอนุสัยกิเลสปริยุธลลยทยธ์ฐานกิเลสละด้วยโวทานปริยุทธ์ฐานกิเลสละด้วยโวทานทีนี้พระผู้มีพระภาคก็ตอบเลยนะว่าพอจับคำถามนะว่าละปริยุทธ์ฐานด้วยโวทานละอนุสัยด้วยวุฒฐานพระองค์ตอบว่า กระแสเหล่าใดไหลไปในโลกนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นสติตรงนี้ให้บวกวิปัสสนาเข้าไปด้วยนะเพราะเป็นชื่อของสมถาวิปัสสนาสติตรงนั้นนะเรากล่าวสตินั่นแหละว่าเป็นเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายในขณะแห่งมรรคกระแสเหล่านั้นพึงถูกปิดกั้นด้วยปัญญานะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสตรงนั้นเป็นชื่อของสมถาวิปัสสนานี่นะสติตรงนั้นหมายถึงสติที่สัมปยุติกับ วิปัสสนานะในจูลนิเทศก็อธิบายอย่างนี้เนี่ยนะใ น, ในทั้งในอัตถกถาก็อธิบายว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสสติตัวนั้นเป็นสติที่ประกอบกับวิปัสสนาส่วนกระแสที่จะถูกปิดกั้นได้เด็ดขาดจริงๆก็ด้วยอริยมรรคนี่ก็จะอธิบายโวทานก่อนนะอธิบายโวทานคืออธิบายสมถาวิปัสสนาว่าเมื่อบุคคลเจริญกายคตาสติ กายคตาสตินี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของกายานุปัสนาสติปทานเมื่อบุคคลเจริญกายคตาสติกระทำให้มากแล้วจักสุกย่อมไม่ดึงไปในรูปารมณ์ที่น่าพอใจย่อมไม่ขัดเคืองในรูปารมณ์ที่ตนไม่ชอบใจนะถ้าเจริญกายานุปัสนานะ์พิจารณาตาเป็นอย่างดีละรู้ว่าโทษภัยของตาและรู้โทษภัยของสี อันนั้รู้จักตากับอย่างดีรู้จักสีเป็นอย่างดีเนี่ยนะตันหากับโทสะมันจะดึงไปไหมดึงตากับสีให้มาเข้ากันตลอดไหมไม่ด cool, ึงเนี่ยนะที่ใช้คําว่ากายคตาสติให้เน้นว่าพิจารณารูปประขันเป็นหลักนะตากับสีเป็นรูปประขันหมูกับเสียงเป็นรูปประขันจมูกกับกลิ่นเป็นรูปประขันลิ้นกับรสเป็นรูปประขันกายกับโพธิภะเป็นรูปประขันก็เลยเรียกว่ากายคตาสติเนี่ยนะกายคตาสติ เดี๋ยวเราเรียนไปถึงลักษณะหาระนะท่าที่ใดพูดกายคตาสติที่นั่นก็เท่ากับพูดเวทนาคตาสติจิตตคตาสติธรรมคตาสติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาสติประธานอื่นๆด้วยทั้งจิตเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาด้วยเพราะฉะนั้นใจก็ย่อมไม่ดึงไปในธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมอารมณ์ที่ตน ไม่ชอบใจถามว่าเพราะไรเพราะป้องกัน ร, รักษาอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นไว้ดีแล้วกระแสะทั้งหลายมีตันหาเป็นต้นเหล่านั้นบุคคลจะป้องกันได้ดีด้วยทำอะไรบอกว่าด้วยการรักษาคือสติเนี่ยนะซึ่งอันนี้สติที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปัสสนานะไม่ใช่สักดิ์แปลว่าสติเฉยๆยแต่หมายถึงสติที่เป็น วิปัสนาก็เท่ากับบอกว่าแสดงอนุปัสนาเรียบร้อยแล้วอนุปัสนาเจเนี่ยแสดงแล้วถ้าเราจะปิดกั้นกระแสตันหาได้จริงปิดกั้นกระแสกิเลสจริงต้องเจริญอนุปัสนาณ์นะเจริญอนุปัสนาเจเพราะชื่อเต็มๆของกายคตาสติคืออะไรคือกายานุปัสนาสติปทานกายบวกอนุปัสนาบวกสติปทานใช่ไหม มันก็ทั้งสมถาวิปัสนาควบคู่กันอยู่แล้วในในคําเหล่านั้นอันนี้เป็นโวทานนะเป็นชื่อของสมถาวิปัสนาที่จะละอะไรละปริยุทธานกิเลสเนี่ยนะที่กล่าวไปเป็นการละปริยุทธานกิเลสทีนี้มาดูถ้าละอนุสัยกิเลสบ้างวุฒานวุฒานเป็นยังไงบุคคลย่อมละอนุสัยทั้งหลายได้ด้วยปัญญาเมื่อละอนุสัยก็เป็นอันละปริยุทธานกิเลสด้วย เพราะเหตุไรเพราะอนุสัยถูกละแลว้วเปรียบเหมือนเมื่อถอนรากถอนโคนต้นไม้ที่มีลำต้นจนหมดสิ้นไปฉันใดเมื่ออนุสัยถูกละแลว้วความสืบต่อแห่งปริยุทธนันกิเลสก็เป็นอันขาดสิ้นถูกปิดกัน้นฉะนั้นเหมือนกันถามว่าถูกปิดกั้นด้วยอะไรบอกด้วยปัญญาอันนี้หมายถึงมรรคปัญญาเนะีเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปัญญาปัญญาเยเตปิธเยเร กระแสเหล่านั้นพึงถูกปิดกั้นด้วยมรรคปัญญาเพราะในอัตกถาอัตกถาเนติ ป, ปกรเนี่ยนะอธิบายว่ามรรคปัญญาที่สําเร็จด้วยการแทงตลอดในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นไหมถามว่าแทงตลอดอยังไงเช่นแทงตลอดว่าสัพเพสังขาราอนิจจาใช่ไหมถามว่าผู้ที่แทงตลอดสัพเพสังขาราอนิจจาแล้วจะต่อด้วยอะไรอีก ถ้าเห็นจริงว่าไม่เที่ยงนะในคถาที่พูดถึงสัพเพสังขารานิจนะในเทศนาหาระเทศน า, าระหน้าสิบเนะอย่อหน้ากลางว่าเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงะนะเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกความเบื่อหน่ายในทุกนั่นแหละเป็นเหตุ ให้ถึงพระนิพพานะนะสัพเพสังขาราทุก ข, ขาจริงๆถ้าเป็นบาลีนะัต้องจุดๆเอาไว้ตลอดนะต้องมีปายานละไว้รู้กันนี่นะคือหมายความว่าถ้ารู้จริงในสังขารไม่เที่ยงก็เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในทุกนั่นเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานสังขารทั้งปวงเป็นทุกเหมือนนะะผู้ที่เห็นอย่างนั้นจริงๆก็ย่อมเบื่อหน่ายใช่ไหมไอ้ความเบื่อหน่ายนั้นเป็นทางแห่งพระนิพพานทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าเห็นอย่างนั้นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายในวัตถุ ความเบื่อหน่ายในวัตทุขุนั่นเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอันนี้ก็เป็นอุบายที่จะทําให้บรรลุพระนิพพานไดนนน้ก็คือการเจริญอะไรที่พระคุณเจ้าถามเมื่อเช้าใช่ไหมสุญญตาหมักเกิดจากอะไรเกิดจากอนัตตานุปัสสนาอนิมิตตาหมักเกิดจากอนิจจานุปัสสนาอัปปนิหิตตาหมักเกิดจากทุกขานุปัสสนา ใดเราได้ภาษาบาลีกันไปเยอะนะนะมีบุญมากได้ฟังภาษาพระพุทธเจ้าบ้างหรือการรู้แทงตลอดปฏิจจสมุปบาทแบบอนุโลมกับปฏิโลมเนี่ยนะอย่างเช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถ้าคามินีปฏิปทานะอันนี้เป็นเหตุให้เกิดมรรคปัญญาได้ นะหรือมรคปัญญาเนี่ยแทงตลอดอย่างนั้นแหละมรคปัญญาแทงตลอดว่าชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธถ้าคำมินีปฏิปทานะไล่ไปอีกน้อพบอก่อนถึงพบอะไรอุปาทานตันหาอะไรตันหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอวิชาอาสวะใน สัมมาทิฏฐิสูตรประม아아 animals, วลสิ่งเหล่านี้ลงอริยสัจเห็นหมดเลยเนี่ยนะดูนะในสัมมาทิฏฐิสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญนาสนะสัมมาทิฏฐิสูตรจะยกสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจหมดเลยนี่อีกในหนึ่งอีกในหนึ่งในนิทานวักเนี่ยจะยกสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่แทงตลอดสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอริยสัจก็เนี่ยเป็นมัคคปัญญาที่จะปิดกั้นอนุสัยกิเลสได้อย่างแท้จริง หรือผู้ที่รู้อริยสัจเนี่ยนะรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือว่ารู้อาสวะอาสวะสมุทยัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยการแทงตลอดสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะปิดกั้นอาสวะได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะละกิเลสได้อย่างแท้จริงหรือในจุลนิเทศท่านยกอาัศาธาอาทีนวะนิสรณะเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าของผัสสะยตนาหกของ ธาตุสีเนี่ยนะมาให้ดูด้วยการพิจารณารอบรู้อย่างนั้นแหละจึงจะละหรือจะปิดกั้นกิเลสด้วยมักคปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะในวิจยะหารวิพังเนี่ยนะถ้าใครอยากจะมีความเข้าใจเพิ่มเติมกว่านี้ให้ดูในจุลนิเทศด้วยนะอชิตะมานวะกะปัญหาประกอบอะนะแล้วก็จะเข้าใจกว่านี้ขึ้นเนี่ยนะถ้าถ้าได้ดูมาก่อนหรือว่า ฟังตรงนี้เสร็จแล้วกลับไปดูจูลนิเทศใหม่เนี่ยนะอาชิตะมานวกะปัญหานิเทศจะมีการแสดงที่แตกต่างกันจากตรงนี้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าสรุปโดยเนื้อหาใจความเหมือนกันอันนะัคือบางอย่างในจูลนิเทศพูดไว้เนี่ยนะเราไม่เห็นชัดมาชัดที่เนติปกรณ์เนี่ยนะอย่างคำอย่างในคําถามเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเนติปกรณ์เนี่ยนะเราดูเฉพาะในจูลนิเทศเราก็อาจสามารถยังไม่แยกไม่ออกว่าโอสตินี้เป็นเครื่อง กันหรือเป็นเครื่องละปริยุทธานกิเลสปัญญาตรงนั้นเนี่ยละอนุสัยกิเลสเนี่ยนะซึ่งในเนติปกรณ์บอกตรงๆเลยในพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัส ต, ตอบอชิตะมานพเนี่ยนะที่บอกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกอันนี้สัจจะอะไรทุกข์สัจจะใช่กระแสะแห่งตันหาไหลไปในทวารหเนี่ยนะรับรู้อารมณ์อะ่ะ อนนี้สัจจะอะไรสมุทัยสัจแล้วก็บอกว่าสติแล้วก็มรรคสติกับปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกั้นเครื่องปิดกิเลสทั้งหลายอันนั้นเป็นสัจจะอะไรมรรคสัจเพราะฉะนั้นถามมาแล้วสามสัจจะใช่ไหมพรงประกาศสามสัจจะแล้วก็มาขึ้นสัจจะที่สี่เนี่ยนะหน้ายี่สิบสองก็คือเป็นคําถามถึงอนุ ป, ปาทิเสสะปรินิพานเป็นคําถามถามถึงนิพานต่อไปเนี่ยนะ ข่าแต่พระองค์พูดเนรทุกสติปัญญาและสติที่พระองค์ตรัสแล้วก็ดีนามรูปที่นอกจากสองอย่างนั้นก็ดีทั้งหมดนี้ย่อมดับสนิทในที่ไหนพระองค์อันข้าพระเจ้าถามแล้วขอจงตรัสบอกที่ดับแก่ข้าพระองค์ที่ดับที่ดับดับดับดับตัวนั้นเป็นชื่อของอนุปาทิเสสะปรินิพานนี่นะคำว่าดับสนิทนะหรือคําว่าดับดับนั่นแหละเป็นชื่อของอนุปาทิเสสะปรินิพานนั้นคําถามี่ระดับสูงมาก ก็ถามนิโรศจฉะนั่นแหละว่าไปไงโปรงก็ตอบว่าดูก่อนอะชิตะเราจะตอบปัญหาที่ท่านนั้นถามแล้วนามและรูปย่อมดับสนิทอย่างไม่มีเหลือในที่ใดหมู่นามรูปทั้งปวงนี้ย่อมดับสนิทด้วยการดับแห่งวิญญาณในที่นั้นเนี่ยนะต้องดับวิญญาณนั่นแหละนามรูปจึงจะดับเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะอันนี้พื้นฐานความรู้เบื้องล่างไว้ก่อนนะวิญญาณมีสอง คืออภิสังขาระกาวิญญาณกับคือง่ายๆว่ากรรมวิญญาณกับวิปากวิญญาณง่ายๆดีชื่อบาลีมากเดี๋ยวจำยากหมดคนพูดก็จะสับสนไปด้วยนะง่ายๆว่ากรรมวิญญาณกับวิปากวิญญาณนามรูปสมมติว่าถ้าจะดับนามรูปที่เป็นวิปากวิญญาณเนี่ยต้องดับนามรูปต้องดับวิญญาณอะไรก่อน ดับกรร ม, มวิญญาณถ้าดับกรร ม, มวิญญาณวิปากวิญญาณก็ดับถ้าดับกรร ม, มวิญญาณนามรูปที่ที่เกิดร่วมก็ดับด้บดวยถ้าวิปากวิญญาณดับอะไรดับนามรูปที่จะเกิดเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ดับอย่างยกตัวอย่างว่าพระโสดาบันเนี่ยละกรร ม, มวิญญาณอะไรไปบ้างก็กลมโลภะมูลจิตทิฏฐิกต 3, ะสัมปยุตสี วิจิกิจฉาสัมปยุตหนึ่งโทสะเป็นต้นที่พวกนําลายาบายนะอันนั้นกรรมวิญญาณประเภทนั้นพระโสดาบันละได้แล้วพระโสดาบันละวิปากวิญญาณอะไรบ้างวิปากวิญญาณที่จะนะําปฏิสนธิในอาบายทั้งหมดพระโสดาบันละได้และละอะไรอีกละปฏิสนธิที่เป็นมนุษย์ในภพที่แปเป็นต้นน่ะพระโสดาบันละได้เพราะฉะนั้นคําว่านามรูปถ้าจะดับดับสนิทจริงๆอ่ะต้องดับวิญญาณ คือดับกรรมมะวิญญาณกับดับวิปากวิญญาณถ้าดับวิปากวิญญาณหมายถึงดับกรรมมะวิญญาณเนี่ยนะก็ก็สัมพันธ์กันเนี่ยนะอันแสดงว่าการมองปัญหาเนี่ยเขามองแบบโหยาวมากะนะก็มองลึกซึ้งมากมองถึงชาติที่แปเป็นต้นะ น, นะนนแล้วค่อยย่อลงมาย่อลงมาย่อลงมาคือพื้นฐานของผู้ที่มาสนใจศึกษาวิชาเหล่านี้นะี่ยเาเออ ความนึกคิดเบื้องหลังของเขานะีคือเบื้องต้นของวัตตะไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมข้างหน้าต่อไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าทางไกลเนี่ยนะสังสารวัตรเรียกว่าทางไกลามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จบที่ไหนก็ไม่รู้ทํายังไงจะออกจากนี้ได้เพราะฉะนั้นแค่แปดชาตินี้ก็มองว่าโอีกแค่แปดวันหรือยังไงนะครับมองแปดชาติไม่ต่างอะไรจากแปดวันหรือแค่แปดชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยนะเขาเขามองยาวมาก เมื่อเรามีพื้นฐานความรู้เรื่องกรรมวิญญาณกับวิปลากรวิญญาณดีแล้วระดับหนึ่งมาดูถึงคําถามที่ท่านอนุคีติหรือมีการเชื่อมต่อให้เห็นว่าถ้าชิตะนี้ย่อ ม, มถามถึงอนุสนธิคือการสืบต่อในปัญหาเมื่อถามอนุสนธินั้นชื่อว่าถามอะไรถามถึงอนุ ป, ปาทิเสสนิพานธาตุคือนิพานที่ไม่มีวิบากนามเนี่ยนะกับกระตัดขันคือกระตัดตารูปเหลืออยู่เลยแปลว่า ไม่มีนามรูปเหลือแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะนี่ก็ประกาศถึงสัตจะว่าอันึ่งสัตจะสามคือทุกขสัตต์สมุทัยสัตต์มรุษสัตเป็นสังตะคือถูกปัจจัยปรุงแต่งมีความดับเป็นธรรมดาส่วนนิโรสัตจะชื่อว่าอสังตะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะนิพานนี่ก็เป็นอสังตะใช่ไหมบรรดาสัตจะเหล่านั้นสมุทัยสัตต์ถูกละในภูมิสอง ทัศนภูมิกับภาวนาภูมิทัศนภูมิคือโสดาปฏิมัคเนะีภาวนาภูมิคือสกะทาคามิมัคอนาคามิมัคและอรหัตตมัคโสดาปฏิมัคเนี่ยละอะไรบ้างละสังโยชน์สามคือสกายะทิฐิวิจิกิจฉาสีละพตะปรามมัตแล้วก็พวกกิเลสที่เป็นอบายาคามีเนี่ยนะพวก กิเลสที่นำไปสู่อาบายทั้งหมดพระโสดาบันละได้หมดเลยมรรคเบื้องบนสามคือสกท า, าคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยละสังโยชนเจ็ 7, คือการมฉันทะพยาบาทรูปปาราคารูปปราค า, ปป า, คามานะอุทจจและอวิชชาย่างไม่มีส่วนเหลือตรงนี้ก็แบ่งให้เห็นสองอย่างนะคือปหาตัพพรรมกับปหายกะรรนะหลายท่านได้ยินบ่อยแล้วใช่อาจารย์สันติพูดบ่อย ปหาตประธรรมคืออะไรคือสังโยชน์ปหายกะธรรมคืออะไรคือมรคเนี่ยอย่างเช่นว่าปหายกะธรรมคือโสดาปติมรละปหาตปะธรรมคือสังโยชน์สามปหายกะธรรมคือมรเบื้องบนสามละปหาตปะธรรมคือสังโยชน์เบื้องบนเจ็ดเนี่ยเก็อย่างนี้ ก็คือพูดถึงตัวละกับสิ่งที่ถูกละนั่นเองเห็นไหมตัวที่เข้าไปละกับสิ่งที่ถูกละจริงๆแล้วอริยมรรคเนี่ยขณะที่ละกิเลสจริงเนี่ยขณะเมื่อมีอะไรเป็นอารมณ์<อ>เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ะนะถามว่าละโดยอะไรคือการละนะปกติพวกเราทั้งหลายจะรู้แค่ละโดยอารมณ์แต่ตรงนี้ท่านละโดยกิจเห็นไหมละโดยอารมณ์กับละโดยกิจนี่แตกต่างกัน เ, เดี๋ยวจะกล่าวข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งจะชัดเจน ถ้า3คือการมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิเนี่ยมีสังโยชนิสินะสังโยชนิสินี้ก็แบ่งออกเป็น2ชุดอ่ะนะเบื้องต่ํากับเบื้องสูงสังโยชนิเบื้องต่ำก็เรียกว่าโอรัมภาคยะสังโยชนิมี5สังโยชน์เบื้องสูงเรียกว่าอุทธามภาคยะสังโยชนิเนี่ยมี5ในบรรดาโอรัมภาคยะสังโยชนิหและอุทธามภาคยะสังโยชน์เหล่านั้นสังโยชนิสคือสักายติทิ วิจิกิจฉาศีลพัตตปา r มา a ถึงอนัญญาตัญยสมีตินสีแล้วย่อมดับอันนะัตอนก่อนบอกโซโดาปฏิมัติใช่ไหมตอนล่างมาบอกอนัญญาตัญยสมีตินสีอีกแล้วเนี่ยนี่แหมใช้คำหลากหลายมากท่านกลัวเราซ้ำซากมากแ ต, แต่ท่านไม่ค่อยกลัวเราสับสนใช่ไหมจริงก็ชื่อเดียวกันนะ่นะคือท่านหลีกเลี่ยงใช้คำซ้ำๆอ่ะนะตอนแรกบอกโซโดาปฏิมัติ หรือทัศนามักอะ น, นะโสดาปฏิมักทัศนามักทัศนภูมิกับอนัญญาตัญญาสมีตินสีเนี่ยต่างกันแค่ชื่อเนี่ยนะจริงๆก็หมายถึงโสดาปฏิมักเนี่ยนะเพราะว่าโสดาปฏิมักเนี่ยละสกายทิถิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสสังโยชน์เจ็คือการมาฉันทะพยาบารูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทาจจะและอวิชชา ถึงอันยินรียแล้วย่อมดับอย่างไม่มีเหลืออันยินรียคืออะไรก็คือภาวนามัชนะภาวนามัชมีอะไรบ้างสกทาคามีมัชอนาคามีมัชและอรหัตตะมัชเนี่ยเพราะฉะนั้นมัชสามอย่างนี้ก็จะละสังโยชน์เจ็ดไม่มีเหลืออันหนึ่งอรหัตผลอันเป็นเหตุของปัจเจเวขณะยานคือปัจเจเวขณะยานเนี่ยรู้อย่างนี้ว่าเราสิ้นการเกิดแล้วอย่างนี้ชื่อว่าขยะยานคือรู้ว่าหมดจบแล้วไม่เกิดอีกแล้ว อรหัตผลยานอันเป็นเหตุให้รู้โดยประการอย่างนี้ว่ากิจคือการเจริญมักอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แก่มักขกิจ16ประการอย่างนี้ย่อมไม่มีเหลือแก่เราอันนี้ชื่อว่าอนุปปาทยานนนะขยะยานก็เป็นชื่อของอรหัตผลนะอนุปปาทยานก็เป็นชื่อของอรหัตผลอีกเหมือนกันแต่ขยะยานเนี่ยปัจเจเวว่าพ้นการเกิดอนุปปาทยานเนี่ยบอกว่า จบกิจคิดคิด อ, อะไรปัจเจกเหมือนกันแต่ว่าปัจเจกอันหนึ่งพิจารณาบอกว่าสิ้นปฏิสนธิแล้วอันนั้นเรียกว่าขยะยานส่วนอนุ ป, ปาทยานบอกว่าไม่ต้องเจริญมรรคอีกแล้วเพราะว่ามรรคเนี่ยทำที่สุดแล้วจบแล้วเหมือ น, นเรียกว่าอนุ ป, ปาทยานบอกว่าไม่ต้องให้มรรคเกิดอีกแล้วคาว่าขยายานกับอนุ ป, ปาทยานเนี่ยนะ อันนี้ตามเนติปรกรณ์นนะแต่ในย่าอื่นจะต่างอย่างนี้นะเช่นอนุปาทยานกับขยะญาณในสุตันตภาชินีสุตันตภาชินีทุกะมาติกานะีก็มีขยะญาณอนุปาทยานเหมือนกันในปฏิสัมพิธามักก็มีขยะญาณกับอนุปาทยานในตั้งแต่สุตตะมายญาณเนี่ยนะอภินยายนิเทศก็มีแล้วนะคำว่าขยะญาณกับอนุปาทยานขยะญาณ อนุปาทยานในอภิธรรมในอภิธรรมอัตสาลีนีเป็นต้นเนี่ยหมายถึงว่าขยะยานหมายถึงมรคยานอนุปาทยานหมายถึงผลยานในปฏิสมัมพินธาก็เหมือนกันนะในตั้งแต่สุตตมรคยานเนี่ยนะอภินญ า, านิเทศเนี่ยขยะยานก็หมายถึงอารยมรคยานอนุปาทยานหมายถึงผลยานแต่เฉพาะเนติปรกรณ์เนี่ยพิเศษนะว่า ขยะยานอนุปาธยานเป็นชื่อของอรหัตตผลยานอย่างเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็ยอมรับในความหลากหลายบ้างอ่ะนะเดี๋ยวบอกคำพีเขียนขัดกันเองอีกยุ่งไม่ขัดกัน ร, รอบแต่ว่าแสดงหลากหลาย